ยีเคารพในสิ่งที่ควรเคารพพระครูกรมลลภาวนากรได้ฟังสืบทอดมาจากหลวงพ่อกีเล่าว่ามีอีกคราวหนึ่งครูบาอาจารย์เท่าได้มีโอกาสออกเดินธุดงกับหลวงปู่มัน่นและพระเนนที่เขาแห่งหนึ่งทุกรูปต้องปีนเขาเพื่อข้ามไปอีกที่หนึ่งพระเนรขอโอกาสที่จะสะพายบาดบริหารขอ ง, งปู่มัน่นแต่หลวงปู่มั่น ไม่ให้โอกาสเมื่อขึ้นเขาที่สูงชันมากได้ประมาณครึ่งทางพระเอญบาทของปู่มัน่นได้หลุดจักบ่าองค์ท่านและกลิ้งลงตามเขาผ่านหน้าพระเนนสองถึงสามรูปก็เฉยพระทุกรูปเคารพในครูบาอาจารย์มากแม้แต่บริการท่านถ้าเอามือจับก็ไม่ทันจะเอาเท้าเหยียกก็ไม่กลา้าเพราะคิดว่าเคารพในครูบาอาจารย์ แม้แต่บริขารของใช้ของครูบาอจารย์ก็ไม่กลา้าแต่ต้องถ้าไม่จําเป็นกลับทั้งกลัวกิ้งลงเขาเหมือนบาทเลยปล่อยให้บาดล้มปู่มัน่นกิ้งลงตามความสูงชันของภูเขาพอบาทกลิ้งถึงช่วงครูบาอจารย์เท่าครูบาจารย์เท่าได้ใช้เท้าเหยียบสายถลกบาดล้มปู่มัน่นโดยไม่รังรอล้งปู่มัน่นจึงพูดขึ้นว่า เออไม่มีใครที่ช่วยอาจารย์หรอกทองรัก 24. ประเพณีที่ฝากไว้วัดป่าเมธาวิเวกเดิมเป็นสถานที่ขั้นกลางระหว่างที่นาสองแปลงมีทิศตะวันตกติดกับลำห้วยแคนชาวบ้านต่างมีความพยายามที่จะเข้าทำประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ต่างคนต่างพยายาม ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ต้องมีอันเป็นปลายทุกรายบางครั้งแม้แต่หาท่อนไม้หาปืนพอตกเย็นต้องเจ็บป่วยหลายคนที่ต้องจบชีวิตลงเนื่องจากการลุ่มละเมิดความอาถรรพ์ปีันสีร้อครูบาจารย์โสมซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิหลวงปู่มั่นและเป็นศาสตว์ธรรถถมิกหลวงปู่กินารี ได้เดินทุดงมาแถบนั้นพอดีชาวบ้านจึงได้รวมการไปนิมนต์ท่านให้มาพำนักปรากฏดูบ้างดหลมังชาวบ้านแล้วไม่มีใครก้าวย่างเข้าไปในเขตนั้นมานานแล้วท่านก็รับและมาพำนักให้ระยะหนึ่งก็จากไปในระหว่างนั้นหลวงปู่กินรีท่านได้มาเป็นสมภารที่วัดดำรงเมธยารามและได้เอาสัมเาเนยยศ มาพาซึ่งเป็นหลานมาบวชอยู่ด้วยเพื่อสอนศีลธรรมและหนังสือไปด้วยซึ่งแต่ก่อนบ้านน้องฮียังไม่มีโรงเรียนชาวบ้านที่ได้รู้หนังสือต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ได้มีโอกาสบวชและออกจากบ้านเพื่อไปสแสวงหาความรู้จากที่อื่นมาแล้วมาถ่ายทอดกันเป็นทอดๆหลังจากที่หลวงปู่กินรีได้นำวิชาความรู้ สอนลูกหลานให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้แล้วในเวลาต่อมาชาวบ้านที่มีลูกชายที่ได้นำมาฝากเป็นลูกศิษย์วัดเพิ่มมากขึ้นบ้างก็บวชเป็นพระเนรลาไปศึกษาธรรมวินัยในสำนักต่างๆก็มากพ่อใหญ่ธรรมรดแสงผาอดีตพระธรรมรดโอภาโสซึ่งเคยได้ศึกษา พระธรรมวินัยตลอดทั้งหลักภาษาไทยกับหลวงปู่กินารีเมื่อศึกษาได้ขั้นหนึ่งแล้วหลวงปู่ได้ส่งไปเรียนขั้นสูงต่อไปจากสำนักอื่น่นพระธรมรมรสมีความรู้ความสามารถพอจะถ่ายทอดได้จึงกลับถิ่นถามเดิมและปรึกษากับหลวงปู่เพื่อขอให้สร้างอาคารเรียนในวัดเพื่อลูกศิษย์วัดจะได้มีที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักเป็นฐานบ้าง ด้วยหลวปูกินรีเป็นคนที่มองเห็นการไกลจึงได้แนะนําให้ไปสร้างในสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนน้องฮีในปัจจุบันพระธรรมรดจึงถือได้ว่าเป็นครูคนแรกของโรงเรียนและได้ถ่ายทอดสืบกานต่อมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบันที่คนต่างถิ่นเมื่อเข้าไปในวัดจะเห็นสิทธิวัดมาให้การปฏิสันฐานเป็นประจำ เพราะในอดีตที่ผ่านมาเรื่องความเคารพความผูกพันระหว่างพระเนรและเด็กได้ถูกปูกฝังสืบทอดกันมาไม่ได้ขาดประเพณีอันงดงามที่ชาวหนองฮีได้ถูกปลูกฝังมาจากอดีตที่ยังตราตรึงต่อผู้พบเห็นในปัจจุบันอีกอย่างคือความสามัคคีพร้อมเพรียงถึงแม้บ้านหนองหีจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ แยกออกเป็นสี่หมู่มีวัดสามวัดโรงเรียนสองโรงแต่ความสามัคคีของชาวบ้านจากแบ่งแยกการก็หาไม่เมื่อมีงานคุม้มหรือหมู่บ้านไหนทุกหมู่ต่างต้องไปร่วมด้วยช่วยกันหาได้แบ่งแยกไม่โครงการต่างๆที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นพั้งโครงการจาธิตการตลาดตลอดโครงการอื่นๆหลายโครงการบ้านหนองหีต้องถูกบรรจุชื่อ ก็แคบทุกโครงการพราอ่อใหญ่ยศมาพาอดีตจัมมณนยศเล่า ว, ว่าหุกปู ก, กินรีท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังกับการงานมากโดยเฉาะเรื่องอาบาัติเล็กน้อยท่านไม่มองข้ามเช่นการประเคนของถ้าวันไหนมีแต่ผู้หญิงมาวัดเพื่อถวายของท่านจะไม่รับเด็กขาดแม้จะจริงไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ทิ้งไปทาให้ไม่ออกเกรงท่านมากวันวัน อย่าแม้แต่คิดที่จะทำตัวสนิทสนมกับท่านแม้แต่ผู้เป็นมารดาผู้บังเกิดเก้าหลังจากท่านรักษาการสมพานได้สามปีก็ออกปฏิบัติ ต, ต่อไปจะกลับมาบ้างก็ช่วงครั้งช่วงเก่าจะจากบ้านแต่ละครั้งโยมมารดาไม่เคยได้สั่งเสียทันทุกทีเพราะท่านไม่เคยบอกล่วงหน้าและไม่ต้องการให้ใครติดตามด้วยแม้แต่สัมมาเนยศ ซึ่งเป็นหลานแท้ๆก่อนท่านออกไปทุดงท่านได้นําไปฝากไว้กับหลวงปู่วิเศษที่วัดป่าเมธาวิเวทซึ่ ง, งปู่วิเศษท่านได้มาอยู่สืบต่อจากหลวงปู่สมปีพุทธศักราช2477ครูบาจารถเท่าทองรัฐได้มีโอกาสมาแวะและพักจําพรรษาที่วัดป่าเมธาวิเวทครูบาจารถเท่าได้ถือว่า เป็นบุรภาชจาร์สำคัญของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองฮีอีกรูปหนึ่งเพราะประเพณีอันดีงามและเด่นหลายอย่างที่ทำให้บ้านหนองฮีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นการตักบาตรทุกเช้าชาวบ้านจะพร้อมการออกทำบุญตักบาตรไม่ว่าหญิงหรือชายจะนั่งลงเวลาจบข้าวใส่บาตรจะงายมือใส่บาตรเวลาพระเนนเดินผ่านจะถอดรองเท้า พอดหมวกนั่งรงพร้อมกับพนมมือจนกว่าพระเนนจะเดินพ้นไปเมื่อมาจำปรรษาที่วัดป่าเมธาวิเวกในวันพระช่วงกลางปรรษาครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐต้องการจัดให้มีการเทศขึ้นแต่ทางวัดป่าเมธาวิเวกไม่มีสถานที่เลยไปจัดเทศที่วัดในบ้านคือวัดดำรงเมธยาราม มีการเทศตลอดคืนญาติโยมพากันไปฟังเทศเป็นจำนวนมากและไม่มีใครลุกก่อนที่จะมีการเทศจบตลอดคืนเมื่อญาติโยมง่วงนอนครูบาอาจารย์เท่าทองรัตจะขึ้นเทศเพื่อให้ญาติโยมหายง่วงเมื่อหายง่วงแล้วองค์อื่นขึ้นเทศต่อสาเหตุที่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัตมาจำพรรษาที่วัดป่าเมธาวิเวกเพราะต้องการมาเยี่ยม ญาติโยมของลูกศิษย์คือนุงปู่กินารีนุงปู่กินารีได้ไปกราบและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์เท่าอยู่บ่อยๆในช่วงที่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐจำบันษานั้นลุงปู่กินารีได้เดินทุดดงไปที่อื่นแล้วและมีแม่ชีพักอยู่ที่วัดนั้นสี่คนการเทศสอนคณะชีของครูบาอาจารย์เท่าแม่ชีเรียนเล่าว่าส่วนมาก ท่านจะสอนเน้นการปฏิบัติภาวนาให้รู้หน้าที่ของตนเองเฮาเป็นชีให้รู้จักหน้าที่ของเจ้าของอยากคิดจะไปหั่นมานี่คือผู้ชายเอาเป็นหญิงหน้าที่ของเฮาเก็บผักหักเปินอุปถัปรรมภ์พระสงฆ์งเจ้าท่านจะไม่ให้โอกาสชีติดต่ อ, อ ก, กับพระสงฆ์เท่าที่จำได้ในปัรษา ที่ครูบาอาจารย์เท่ามันจะบรรจาบ้านน้องฮีได้มีโอกาสตอบคำถามท่านประมาณสองครั้งและไม่เคยพูดคุยกับท่านตลอดกระทั่งพระเนนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเวลาตอนบ่ายทุกวันหลังจากที่พระเนนฉันเจจะแยกยาก้ยายทำความเพียรเป็นโอกาสที่เหล่าแม่ชีได้ได้มีโอกาสอุปถัมภ์สงคือตักน้ำใช้น้าฉันให้เต็มตุ่ม และต้องรีบหนีไปกลัวจะเจอกับพระเนรแม้แต่การประเคนสิ่งของหลวงปู่กินรีได้ฝึกไว้คือถ้ามีเฉพาะแม่จีหรือผู้หญิงท่านจะไม่รับสิ่งของนั้นแม้จะรับด้วยผ้าท่านก็ไม่ทำแม่จีสุวรรณีหรือโยมแม่ของหลวงพ่อกินรีแม่จีคําแม่จีเรียนหรือหลานหลวงพ่อกินรี กูได้มีโอกาสอุปถักต์และติดตามไปกราบครูบาอาจารย์เท่าที่ต่างๆหลายที่เช่นบ้านชีทวนบ้านคุม้มการไปมาสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์มากถนนจะมีเฉพาะทางเกวียนในปีที่ครูบาอาจารย์เท่ามาจำพรรษามีพระเนน 5-6 รูปหลังจากออกพรรษาแล้วครูบาอาจารย์เท่าจะออกพรดงต่อไปและนานๆจะมาแวะครั้งหนึ่ง จะมีแต่ครูบาอาจารย์ชาเท่านั้นที่แวะมาเยี่ยเยียนบ่อยๆการแต่ละครั้งท่านจะต้องนำของใช้ต่างๆไปให้ชีวิตชีสมัยก่อนถึงเวลาตอนบ่ายต้องตักน้ำใช้ตักน้ำล้างเท้าถาวายครูบาอาจารย์การตักน้ำก็ต้องตักตอนที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่และจะไม่ได้พูดคุยกันกันกบครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ถามจะไม่พูดเด็ดขาด ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐท่านเน้นเรื่องนี้มากบางครั้งครูบาอาจารย์ถามต้องรีบก้มหน้าพนมมือพูดโดยไม่มองหน้า25ติดตามหลวงปู่เสากลับมาตุภูมิพุทธศักราช2478ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐจำบรรษาอยู่อำเภอนาแกนกครพนมที่วัดห้วยสีคูณ ที่วัดนี้เองครูบาอาจารย์เท่าได้ผู้ที่สึกพอดพระศาสนาเพิ่มคือพระ ก, กิจโจทโรต่อมาเรยติเป็นธรรมยุทธเปลี่ยนฉายาเป็นธรรมมุตโตโดยหลวงพ่อบุญมากที่ตากปัญโยเป็นผู้นำไปฝากจากมาตุภูมิบ้านหนองผําเมืองจำปาสักประเทศลาวในช่วงออกพรรษาถึงปู่เสากันต์ีโล ได้ส่งข่าวให้ครูบาอาจารย์เท่าของรัฐนําลูกศิษย์ไปร่วมกันที่วัดศรีวันชัยเพื่อฉลองจล า, าที่เพิ่งสร้างเสร็จซึ่งพระอาจารย์บุญมาและอาจารย์วังเป็นผู้สร้างวัดนี้โดยหลวงปูเ่เสาได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วในราวเดือนธันวาคมเพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่หลวงปูเ่เสามีความประสงค์จะกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่บ้านเกิดคือ บ้านขาดโคมอเภอเค่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพราะได้จากมานานและยังไม่ทำประโยชน์ให้ที่ถิ่นมาตุภูมิเลยจึงได้ปรึกษาสิทธาุสิทิ์และมีข้อตกลงว่าหลวงปู่เสาควรปรึกษากับท่านเจ้าคุณาศาสนดีหลกวัดสีทองและท่านเจ้าคุณสีธรรมวงสาจารย์วัดสุ ป, ปัตตนาราก่อนหลวงปู่เสาจึงให้ลูกศิษย์ ติดต่อโทรเลขเพื่อปรึกษาท่านเจ้าคุณทั้งสองซึ่งท่านเจ้าคุณทั้งสองก็เห็นดีด้วยและในช่วงเดือนสามหลวงปูเ่เสาังได้ส่งข่าวให้ลูกศิษย์ที่กระจายในสถานที่ต่างๆให้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดเกาะแก้วอำมพวันเพื่อร่วมประชุมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนปกติทุกปีจะมีการเรียกประชุมในวันมาคบูชาอยู่แล้ว 2ี่สามีจิกรรมร่วมกันเป็นประจำปีหลวงพ่ออ้วนเล่าว่าในการประชุมกันที่วัดเกาะแก้วในปีพุทธศักราช2479เป็นปีสุดท้ายที่หลวงปู่เสาท่านออกปฏิบัติาศาสนกิจแถบอีสานตอนเหนือหลังจากการประชุมแจกแจงแบ่งสายงานออกเผยแผ่แล้วหลวงปู่เสาได้ลงไปที่ บ้านข่าโคม่วนหลวงปู่มั่นจะทำหน้าที่อยู่เขตอีสานเหนือเลยไปถึงภาคเหนือในปีนี้มีครูบาจารย์ทั้งลูกศิษย์มหานิกายและธรรมยุตมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากหลวงพ่ออ้วนก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งจะนันประชุมทุกปีไม่ก่อนวันมาคบูชาก็หลังวันมาคบูชาเล็กน้อยจะมีที่ร่วมประชุมใหญ่ ที่วัดเกาะแก้วซึ่งไม่ห่างจากองค์พระธาตุพนมมากนักหรือที่วัดป่าสุดธาวาสจังหวัดสกลนครซึ่งทั้งสองวัดจะเป็นวัดที่บุรพาจารย์ทั้งสองท่านเป็นองค์ดําฤติสร้างหลวงพอ่ออวนเล่าวา่าสาเหตุของการด â ิฤติสร้างวัดเกาะแก้วอัมพวันอาจจะเป็นเพราะว่าที่แห่ง น, นี้อยู่ใกล้ชุมชนและเป็นศูนย์กลางที่ลูกศิษย์ลูกหาจะไปมาสะดวก ประกอบกับเมื่อมีการรวมกันแต่ละครั้งจะมีพระภิกษุสัมมานเณรรวมกันเป็นจานวนมากการขบฉันต้องอาศัยชุมชนบินทบาตเป็นหลักบางทีถ้ามีญาติโยมมารวมกันมากท่านจะมีการเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลังจากร่วมประชุมกันเสร็จเป็นเวลาค่าคืนบางปีจะมีการเทศตลอดคืนจะเปลี่ยนองค์เทศไปเรื่อยโดยจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสา ครูบาอาจารย์มั่นเป็นหลักถ้ารู้สึกว่าดึกหน่อยญาติโยมเพิ่มเอยกการง่วงก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์เท่าทองรัตขึ้นเทศเพราะท่วงทํำนองการเทศของท่านเสียงดังฟังชัดท่านมีมุกทําให้ญาติโยมเตือนตัวได้จะหมุนเวียนกันขึ้นเทศโดยการเทศแต่และองค์จะเทศจากประสบการณ์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาหลวงพ่อพกีเล่า ว, ว่า หลวงปู่เสาให้สั่งให้ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐไปจำพรรษาที่บ้านชีทวนโดยสั่งว่าท่านทองรัตเมื่อนี้ให้ไปจำพรรษาอยู่บ้านชีทวนบ้านชีถวนผมเคยไปอยู่เป็นหม่องสำคัญหม่องหนึ่งเป็นหม่องที่มีคนมีความรู้ความฉลาดหลายคนดีก็มีหลายคนที่หายก็มีมากผู้อื่นไปอยู่บ่ได้ส่วนผมสิ ไปจำอยู่บ้านขาคมซึ่งเป็นบ้านเกิดและคันไปหอดำอีกให้ไปโฮมกันอยู่วัดบูรพารามในตัวเมืองอุบลก่อนเมื่อตกลงกันได้แล้วก็แยกย้าย ก, กันเดินทุดงลงมาเบืองอุบลรชาชธานีเป็นหมู่คณะห้ารูปบ้างสิบรูปบ้านซึ่งครูบาอาจารย์กิมากับครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐได้เดินมาสองรูปเมื่อถึงวัดบูรพารามแล้ว หลวงปูเ่เสาได้แบ่งสายอีกทีหนึ่งให้ครูบาอาจารย์ดีจำพัรษาที่บ้านขุดแห่ผู้บาอาจารย์ทองอยู่บ้านสวนงัคผู้บาอาจารย์บุญมากกีวัดป่าเรไรบ้านท่าศาาหลวงปูเ่เสาอยู่บ้านขาดโคม่วนครูบาอาจารย์ทองรัฐอยู่ที่บ้านฉีดทวนพ่อใหญ่จานเพลงคาพิพาคหลาหลวงปูเ่เสา ปัจจุบันอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าได้บวชเป็นสัมมาเนนในสำนักของหลวงปู่เสาเมื่อปีพุทธศักราช2479ซึ่งเป็นภรรษาแรกที่หลวงปู่เสาได้พาพระเนนกลับมาตุภูมิได้บวชพระระหว่างปี2480ถึง2490ได้อาศัย แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจึงได้มีความเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเพศนักบวชแต่ด้านการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เคยทิ้งเพราะมีลูกหลานอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างทุกวันจะปฏิบัติเป็นส่วนตัวจะออกมาเฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่านั้นรู้ตัวดีว่าตัวเองมีโอกาสน้อย จะประบาดไม่ได้แล้วและมีความคิดว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเสมอไปหากแต่อยู่ที่เจ้าของอยู่ที่ทุกคนรู้จักธรรมะและเล่าต่อไปว่าหลังจากครูบาอาจารย์เสาได้ออกปฏิบัติศาสนกริจตามจังหวัดต่างๆแล้วบ้นปลายชีวิตที่ได้กลับมาที่บ้านเกิดและมาตั้งวัดป่าหนองอ้อบ้านขาโคมวัดป่าหนองอ้อเดิมเป็นสนม ที่ลมมีหนองน้ำเป็นหย่อมเหมือนปัจจุบันและเป็นป่าดอนเจ้าปู่ของบ้านขาคโคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2479หลวงปู่เสาและทุดงมาจากวัดบูรพาในตัวจังหวัดอุบลพร้อมกับครูบาจจารย์ทองรัฐและพระเนนได้มาที่บ้านขาคโคมอยู่ได้ระยะหนึ่งหลวงปู่เสา ได้ไปกรุงเทพเพื่อไปฝากสรรมเนนพุธคือพระราชสังวรยานและขอราชสีมาให้เดือนหนังสือกับเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระหนูพิตรปัญโยพระสัพพทมขณะนั้นองค์ท่านหลวงปู่เสาสาภาพมากแล้วต้องถือไม้เท้าไปเมื่อหลวงปู่เสาเข้ากรุงเทพเจ้าจอมารดาทัพทิมซึ่งกาลังประชวนอยู่ ได้ให้คนมานิมนต์หลวงปู่เข้าในวังเพื่อเทพโลดเพราะทราบกิิศัพท์ของหลวงปู่จากสนนามเณรนาทที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งเจ้าจอมอุปถรัรม์ในการบวดพระและเจ้าจอมได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์วัดป่าหนองอ้อบ้านขาดโคมเรื่อยมาเมื่อออกพรรษาแล้ววันขึ้นส5ห้าค่ำเดือนสองปี2480ปคณะเจ้าจอมที่พูดติดตามเช่น คุณวัดคุณนายชมคุณนายพริง้งเป็นต้นพร้อมทั้งพระนาคพระมหาสมบูรณ์ได้นำกะถิ่นมาทอดที่วัดป่าหนองอ้อและเจ้าจอมได้อุปถัม์ในการอุปสมบทให้สัมมเนรเพลงคำทิพภาคอีกรูปหนึ่งในวันนั้นด้วย 27. บ้านจีทวนพ่อใหญ่กันหาสุธิพานเล่าว่าพ่อใหญ่ พร้อมกับญาติโยมบ้านจีทวนเพื่อทราบว่าหลวงปู่เสากลับมาพับนักที่บ้านขาคมจึงได้ร่วมกันนําผ้าไหมเพื่อไปถวายให้หลวงปู่เสาบาัณสกุลเยจีวรเมื่อทําพิธีเสร็จได้โอกาสกราบมีมวลท่านให้จับพรรษาที่บ้านจีทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะแต่ก่อนท่านเคยชุ ด, ดงไปพับนักและสั่งสอนที่บ้านจีทวนจนญาติโยมส่วนใหญ่ เข้าใจแนวทางปฏิบัติของท่านต่อมาท่านได้ออกธุดงไปตามทิศต่างๆและวัดนั้นก็ว่างจากพระ ก, กรรมฐานไปนานเพราะแต่ก่อนการจะหาพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ยากมากบางหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นพระ ก, กรรมฐานต่างก็กลัวกันหลบเข้าป่ากันคนละทิศละทางบางหมู่บ้านบิณฑบาตแทบจะไม่ได้เข้าฉันเพราะคนกลัวพระกรรมฐาน หลวงปู่เสาเมื่อเห็นญาติโยมยังให้ความศรัทธาที่จะนำข้อประพทตปฏิบัติไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองจึงได้บอกญาติโยมไปว่าถ้าจะให้ท่านไปจำพรรษาที่บ้านชีทวนท่านไปไม่ได้เพราะรับนิมนต์ญาติโยมที่บ้านขาดคมไว้แล้วญาติโยมที่มีศรัทธาเป็นที่ตั้งอยู่เดิมแล้วได้พยายามกราบอ้อนวอนทุกวิถีทาง ที่จะได้พระกรรมฐานไปเป็นที่พึ่งเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณหรือท่านอาจจะอย่างดูความศรัทธาของญาติโยมที่มีอยู่เดิมยากที่จะเดาได้จึงไม่บอกรับง่ายง่ายเมื่อทราบแน่ว่าความมั่นคงในทางพระพุทธศาสนาของญาติโยมที่บ้านชีทวนยังแน่นแฟนดีจึงรับให้ความหวังกับพ่อใหญ่กันหาพร้อมญาติโยม ที่ไปด้วยกันว่าถ้าจะเอาพระไปเดี๋ยวนี้อย่างไม่ได้เพราะพระยังไม่มาญาติโยมก็เห็นพระมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมหลวงปู่จึงบอกว่ายังไม่มาญาติโยมกลัวว่าจะไม่ได้พระเนนไปจำพรรษาซึ่งเหลือเวลาเพียงสามวันจะเข้าพรรษาได้ถามหลวงปู่ไปว่าหลวงปู่ขน้อยพระอยู่ในวัดคือจังมีหลายองค์อยู่ แปลงให้ไปก่อนว่าได้ขน้อยหลวงปู่ไม่บอกปฏิเสธและบอกว่าบ้านชีทวนเป็นบ้านเจ้าคำผีใหญ่ตัวถ้าให้พระมะเมขมะขาไปที่นีเรื่องกันให้รลอสักสองมือเพื่อนจึงมาถึงในช่วงนั้นครูบาอาจารย์เท่าไม่ทราบว่าไปธุระที่ไหนญาติโยมเมื่อได้ยินหลวงปู่สาวรับเป็นมั่นเป็นหมอะว่าจะให้พระไปจำพรรษา และเป็นเวลาที่ใกล้จะเข้าพรรษาเต็มทีลุโปูป่รับรองอย่างนั้นก็าพากันดีอกดีใจและลาท่านกลับบ้านทุกคนได้ตั้งความหวังและดีใจกันเป็นที่สุดที่จะได้พระกรรมฐ า, านไปอยู่ใกล้บ้านเมื่อกลับถึงบ้านต่างก็จัดสถานที่ซ่อมแซมกุฏิวิหารทําความสะอาดวัดให้เป็นที่รื่มรมนอกจากการพำนักของแขกผู้สําคัญที่จะ ม, มาพักด้วย เมื่อครบเวลาได้สองวันญาติโยมบ้านชีดพวนต่างพากันมุ่งหน้าไปที่บ้านขากโมพร้อมทั้งสามภาระบ้านก็มีกล้วยหีอ้อยเพื่อถวายพระสงฆ์องค์เนที่บ้านขากคมมต้องออกบินธบาตเดินทางแต่เช้ามืดเมื่อไปถึงก็ดีทันถวายพระ ต, ตาหารจัด แ, แจงถวายของต่างๆที่นำไปพร้อมและได้กลับเรียนพูดคุยกับหลวงปูเ่เสาเป็นเวลาพอสมควร ลวงปู่เสาจึงบอกว่า28ครูบาอาจารย์เท่าได้รับมอบหมายให้ไปอยู่บ้านชีทวนนั่นเด็กพระที่เพิ่นสิไปอยู่นำพวกหมู่เจ้าลวงปู่เสาที่เป็นทางครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐกับลุงพกกิซึ่งนั่งอยู่ข้างๆท่านญาติโยมทุกคนต่างมองไปทางพระทั้งสอง ท่างรู้สึกพอใจที่หลวงปูเ่เสาท่านได้จัดพระให้ถึงแม้ไม่ใช่หลวงปู่เสาเองก็ยังดีกว่าไม่ได้และกราบมีมนต์ท่านเพื่อเดินทางไปยังบ้านขีดควรพร้อมพระประมาณสามรูปส่วนหลวงพ่อกิท่านให้ไปจำพรรษากับอาจารย์กรอาจารย์บัญชีบ้านโพนงามตำบลห น, นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างคิดจำพัรษาที่บ้านจีทถัวนั้นเองครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาหลายประการอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สาวบอกไว้ก่อนมาไม่มีผิดพ่อใหญ่กันหายมอุปถัมภ์ผู้ใกล้ชิดได้เล่าให้ฟังว่าปัญหาแต่และอย่างถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทองรัฐคงจะอยู่ไม่ได้เพราะมันหนักและยุ่งยากมากในการแก้ทิฐิคน ปัญหาอันดับแรกเช่นเมื่อกราบรัตนาท่านเป็นจับปัรษาโยมก็ได้แบ่งแยกกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในป่านั่งหลับหูหลับตามันจะเห็นอะไรแม้แต่คนตาดีๆลืมตาดูมันยังไม่เห็นส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่าช่างเขาคนเขาพูดเขาไม่เห็นกับเรา พวกผู้หญิงชอบเอาครุคือถังน้ำสารด้วยไม้ไผ่ปอกด้วยฉันไปตักน้ำในบ่อกขอวัดปากครูบาจารย์ก็บอกว่าแม่เอ๋ยอย่าเอาครุลงตักน้ำในบ่อน้ำให้เอาครุที่ลูกหาให้นั้นตักพวกโยมที่เป็นปฏิปักษ์ท่านหาว่าท่านห่วงน้ำโยมอุปถาตก็ได้ถามครูบาาจารย์ว่า ทำไมพระอาจารย์จึงห้ามเอาถังลงตักน้ำในบ่อหรือว่าพ่วงน้ำหรือได้รับคำตอบเป็นที่พอใจว่าเมื่อพวกแม่เอาคลุกขาวปูขาวปลาตักน้ำเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ไปตักน้ำนั่นมากินมาฉันพระนั่นเพื่อนก็เป็นอาบัติตัวพ่ออดีตพ่อกำนันใจเชื้อประทมบ้านจีทัวเล่า ว, ว่า ผู้บาอาจารย์จะใช้สรรพนามแทนตัวว่าลูกจะพูดกับญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าพ่อแม่หมดทุกคนและเคยถามท่านเป็นการส่วนตัวท่านได้ให้คำตอบว่าที่ใช้คำพูดอย่างนั้นต้องการหาดให้ลูกเขารู้จักพูดกับพ่อแม่ด้วยคำที่สุภาพน่าจะเป็นไปได้ที่เด็กสมัยก่อนการพูดกับผู้ใหญ่มักพูดใช้นาหน้าสรรพนามว่าี เช่นอีพ่ออีแม่พี่ชายก็บักส่วนพี่สาวอีนั่นอีนี่ซึ่งฟังดูแล้วไม่สุภาพ 29. ิต้องยกให้ทองรัตหลังจากได้มอบหมายให้ไปจำพรรษาที่บ้านจีทัวแล้วก่อนไปหลวงปู่เสาได้สั่งกำชับว่าบ้านจีทัวนี้เป็นบ้านที่มีการศึกษามากเป็นมหาก็เยอะ เรื่องที่จะไปพูดเฉยเฉยไม่มีอุบายจึงยากที่คนเหล่านั้นจะเชื่อเคยส่งพระไปหลายรูปแล้วต้องหันหลังกลับอย่างไม่เป็นท่าเพราะถูกลองพรมแม้แต่หลวงปูเ่เสาสมัยที่ไปสร้างวัดใหม่ๆยังเคยจูกลองดีมาแล้วหลวงปู่เสาได้บอกว่าถ้าไม่ใช่ท่านทองรัดแล้วไม่มีใครสอนคนบ้านนี้ได้ในช่วงที่มาพักกันในแถบนี้ หลวงปู่สาวอยู่บ้านขากโคมคุบาจารย์เท่าทองรัฐอยู่บ้านจีทวนคูบาจาร์บุญมากอยู่บ้านท่าสาลาวัดป่าไ ร, ไร่คูบาจารย์ทองอยู่บ้านสวนงูวในพรรษาลูกศิษย์ทั้งมหานิกายและธรรมยุตินิกายที่ไปจับรรษาอยู่วัดต่างๆ ต, ต่างก็มาร่วมลงอุปศดร่วมกันที่วัดป่าหนองอ้อบ้านขากโคม ได้ร่วมลงอุโบสถอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาพระผู้ใหญ่ทางเมืองหลวงทราบข่าวว่ามีพระธรรมยุทธ์กับมหานิกายร่วมลงอุโบสถกันจึงได้แจ้งมาอย่างหลวงปู่เสาวให้ทั้งสองนิกายได้งดร่วมอุโบสถกันหลวงปู่สาวเลยบอกว่าถ้าทางการเขาไม่ให้ร่วมก็ให้ลูกศิษย์แต่ละวัดได้ทําอุโบสถกันเองเมื่อมีงานจึงมาร่วมศึกษาประชุมกันโยมบ้านจิตทวนในสมัยนั้น หาผู้ที่เห็นความดีผู้บาอาจารย์เท่าท่านยากมากเพราะผู้บาอาจารย์เท่าท่านจะสอนทุกวิถีทางที่จะให้โยมรู้จักการเสียสละทานเช่นบ้านไหนที่เตรียมจะใส่บาตรแล้วลืมมองดูพระท่านก็จะยืนรอแล้วร้องบอกให้มาใส่บาตรและรอจนโยมคนนั้นมาใส่บาตรท่านจริงจะไปรับบาป บ, บ้านหลังอื่นท่านจะไม่ถือโทษ รดเพลงเมื่อไปบินธบาต ท, ท่านจะทำความคุ้นเคยกับญาติโยมทุกคนแม้แต่วันไหนฝนตกท่านก็บอกแม่เราต้องลงมาหลอกมันเปียกลูกสี่ไปรับเองจนบางคนคิดรังเกียจท่านหาว่าเป็นพระเป็นเจ้าทำตัวประจบกับญาติโยมแต่ท่านไม่ตาหนิแต่อย่างไรถ้าบ้านไหนไม่เกิดส่บาด ท, ท่านก็พยายามให้โยมคนนั้นใส่จนได้ บางครั้งเห็นกล้วยสุกอยู่บนต้นท่านก็พูดกับโยมว่าแน่เห็นกล้วยสุกอยู่บนต้นไม่อยากได้บุญบ้างหรือถ้าอยากได้ก็เอามาใส่บาดบ้างสิท่านยืนรอจนโยมนํากล้วยมาใส่บาดเมื่อถึงวัดท่านก็ไม่ฉันถือว่าของฉันนั้นได้มาไม่บริสุทธิ์ขัดต่อพระธรรมอุไนแต่ที่ทําไปเพื่อสอนให้คนรู้จัก เสียสละมิโยมบางคนเห็นท่านไปทุกวันก็บอกว่าข้าวยังไม่สุกวันต่อมาท่านได้แบกปืนไปให้พร้อมทั้งพูดว่าเอา้าแม่รีบเร่งไปข้าลูกจะรอจนข้าวสุกโยมนำมาใส่บาตรท่านจึงไปกลับมาถึงวัดท่านก็เอาออกไม่ฉันไม่เหลียยเล่า ว, ว่าไม่ฉีกคำที่เคยประพฤติปฏิบัติ ร่วมกันที่บ้านหนองหีได้มีโอกาสติดตามไปกราคบครูบาอาจารย์เท่าที่ต่างๆบางครั้งถ้าบ้านไหนไม่เคยเข้าวัดให้ทานเลยครูบาอาจารย์เท่าท่านจะสั่งให้แม่ชีไปขอเอาอะไรก็ได้มาครูบุหรีตามแต่จะให้พอได้มาจะไม่ใช้ประโยชน์จากของที่ได้มาจะ ก, ก่าบ ร, ร้องขอการกระทําดังกล่าวทําให้โยมบางคนที่ไม่เข้าใจต่างก็แกล้ง หาเรื่องแต่ท่านต่างๆนานาบางครั้งเมื่อท่านออกบินธบาศก็พูดใส่ท่านว่าท่านทำตัวไม่เหมาะสมแต่ท่านก็ไม่สนใจบางคนทนไม่ได้จริงๆถึงกับเอาคอนตีนสิวใส่บาทให้ท่านเมื่อไปถึงวัดท่านก็พูดกับพระเนนว่าโยมเขาคือี่คิดว่าทางวัดป่าบอกมีคอนตอกสิวเขาเลยใส่บาทให้สามสิบ เพราะตายเพราะบาด ท, ทุกวันครูบาจารย์เท่าท่านก็บินทบาทตามปกติเหมือนไม่มีอะไรหลายวันต่อมาโยมคนนั้นทําทีมาใส่บาตรเหมือนเดิมมีข้าวและห่อใบตองกล้วยอย่างดีหอใหญ่เป็นพิเศษเพื่อเดินกลับครูบาจารย์เท่าได้พูดกับพระเน้นว่าโยมคนที่อบอค้อนตอกสิวใส่บาตรให้วันนี้เขาเอาอะไรหนอ ใจบาทให้หอใหญ่ผิดปกติเมื่อไปถึงวัดทุกวันครูบาอาจารย์เท่าจะจัดอาหารออกจากบาดถ้ามีอาหารส่วนไหนที่ว่าไม่ถูกตามธรรมวินัยเช่นของนั้นเอ่ยปากขอมาอาหารดิบท่านจะเลือกออกไม่ฉันเมื่อเลือกเสร็จจะแบ่งให้พระเนนให้ได้ฉันทุกรูปวันนี้ก็เช่นกันท่านเลือกอาหารเสร็จจะแกะอาหารแจกแบ่งพระเนนแต่ปิดสังเกตว่า วันนี้ได้ห่อใบตองซึ่งห่อใหญ่ผิดปกติประกอบกับโยมคณีได้ต่อว่าท่านหลายครั้งแล้วท่านเลยค่อยๆแกะไม่กลัดห่อหมกนั้นออกในขณะที่ค่อยบรรจงแกะนั้นในใจก็คิดว่าจะเป็นน้ําหรือเป็นเนื้อตัวน้าจะหกก็กลัวท่านใดนั้นสิ่งไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เมื่ออาหารประหลาดมีสีขา กระโดดออกจากหอหมกอย่างรวดเร็วด้วยความว่องไวเป็นทุนของครูบาอาจารย์เท่าท่านรีบตะครุบอาหารประหลาดนั้นไว้พร้อมกับว่าเออเกือบเขาไม่เอามาใส่บาตรให่พ่อนะเกือบเขานําเจ้าไปต้มยำแล้วเสร็จแล้วให้สัมมาเนนนำอาหารประหลาดคือ ก, กบนั้นไปปล่อย